แลคล้วคลามหวงยัยเขาคงมีให้มากกว่าใจฉันมีให้ไม่พอมันมีที่ต่ำที่สูงต้องเข้าใจไม่มีประโยชน์จะรัง้งจะฝืน จะอย่างไร ฉันไม่โชค ด, ดีอย่างนั้นฉันเลยไม่มีใครมันมีที่ต่ำจะซ่งต้องเข้าใจไม่มีประโยชน์จะรังจะฝืน ท้องฟ้ แค่เพียงรักเธอก็คงต้องแพ้ไปให้ไปเทียบกับใครก็ไม่มีค่า ฉันก็ยังรัก